กอัญชรีอันทิวรังอจยาจภาสันติทสัส ต, ตาปราชะกะชาติกาเทเสตุรมังอนุกรรมอิมังปะชังก่อนที่จะแสดงธรรมขอให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลาน งดการถ่ายรูปชัว่วคราวไว้ก่อนนะถ้ามีการถ่ายรูปจะมีแฝดก็ของงดไว้ก่อนแล้วก็ถ้าว่าใครอยู่ใกล้ถ้าว่าโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ปิดไว้ก่อนถ้าว่าไม่สามารถที่จะปิดได้ก็ให้ออกไปอยู่ห่างๆถ้ามีเสียงอะไรขึ้นมาก็าจะได้ออกไปคุยกันข้างนอกได้ คืออยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเนี่ยถ้ามีโทรศัพท์ดังขึ้นมาแล้วก็เสียง แ, แปลกทุกวันในวิทยุโทรศัพท์มันเสียงแปลกเสียงดังอีกต่างหากทำให้เสียสมาธิในการพูดในการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นขอให้คณะจตธายาติโยมลูกหลานทุกท่านให้รับทราบตามนี้ประว่ติหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระป่าพร ะ, พระดวงจริง ถ้าว่ามีเสียงอะไรลบควนที่จะพูดหรือจะแสดงคำรู้สึกว่ามันโอดถายเพราะว่ามันเสียงมาเข้ามากระทบนะก่อนอื่นที่หลวงพ่อจะแสดงคำหลวงพ่อจะบอกกล่าวถ้าจะว่าไปเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อไหมก็ไม่ใช่คือเป็นหน้าที่ของชาวอุดรไหมใช่และก็เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเธอขณะนี้แต่หลวงพ่อไม่ใช่ไม่ได้แผ่ไม่ได้ขอนะเพียงจะบอกกล่าวให้คณะสัทยา ญ, ญาติโยมได้รับรู้รับทราบท้าว่าพวกเราไม่ได้รับทราบรับรู้ก็จะตัณฑ์ฝ่ายพระสงฆ์เหมือนกันออพระสงฆ์ปูบาอาจารย์มีแต่หลวงตาที่ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม พอท่านจากไปแล้วก็มีคณะสงฆ์หรือกูบาอาจารย์องค์ไหนบ้างที่จะทําหน้าที่จุดนี้ฮะบางทีอาจจะมีแนวความคิดแต่ตามให้จริงหลวงพ่อเนี่ยยังคล้ายๆก็ว่ า, ากำลังกำลังเมื่อไม่เหมือนหลวงตาหลวงตาในกำลังช้างแต่หลวงพ่อในกำลังมดแต่กําลังมดกเ็เถอดจังวัตใจใจใหญ่ใจโซ่ หลวงพ่อจะเรียนให้คณะสัทธาญาตโยมลูกหลานได้ทราบว่าหลวงพ่อได้ช่วยเกี่ยวกับอุดรเมืองอุดรของเราอะไรบ้างดรวยว่าจะช่วยสงเคราะห์เกี่ยวกับในช่วงนี้นะช่วงอื่นๆที่ผ่านมาก็ไม่ว่ากันพอมันผ่านไปแล้วแต่ช่วงนี้แหะอยากจะเรียนให้พี่น้องสัทนาญาติโยมได้รับทราบตึกหลวงตาที่พวกเราฉลองเมื่อเดือน มีนามเมษาที่ผ่านมาตึกสิบชั้นของหลวงตา200กว่าเตียง เ, เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนป่วยขึ้นไปเกือบจะเต็มทุกชั้นแต่ว่าที่ข้างด้านหลังของตึกหลวงตาทางโรงพยาบาลให้หลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงสร้างตึกหนีไฟตึกหนีไฟแล้วก็เป็นที่จอดรถด้วย หลวงพ่อก็เห็นว่าน่าจะทำได้แต่ก็เลยมายื่นมือเข้ามามาช่วยเพราะจะตกปัจจัยของโรงพยาบาลก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่พอเขาก็ให้หลวงพ่อเข้ามามาช่วยแต่หลวงพ่อก็เข้าม า, ามาแล้วก็ประกาศหาผู้รับเหมาแต่เดี๋ยวนี้ตึกหลังนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปชั้นที่เจ็ดแล้วนะตึกสิบชั้นเป็นที่จอดรถจอดรถได้หรอยคัน แต่ถ้ า, าว่าเปิดเขียวว่างเอาไว้จะได้เจ็ดร้อยคันตึกหลังนี้และก็เป็นตึกหนีไฟด้วยถ้ า, าว่าไฟไม่ตึกหลงตาแล้วก็มีสะพานเชื่อมมาถึงตึกหลังนี้แต่ที่แรกค่าใช้ใจ่ายก็ไม่มากเท่าไหร่พอต่อมา เ, อเพิ่มสะพานเชื่อมเข้าไปอีก เ, อเกือบแต่ก่อนมีสะพานเชื่อมอยู่สี่ ชั้นเก้าชั้น7็ชั้นห้าชั้นสสี่ชั้นพอต่อมาบอกขออีกชั้น8ดเถอะหลวงพ่อชั้น8ดทำไมเพราะว่าเป็นห้อง ICU ตรงกับชั้น8ถ้าห้อง ICU เวลาไฟไหม้ขึ้นมาลิฟต์ก็จะดับไปลิฟต์ก็จะดับหมดเพราะนั้นจะเอาหามคนที่หมดสติแล้วก็ไม่ได้ถ้าเ o า a ่ d มีสะพานตรงเข้ามาเลย ก็จะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็เอาต่อมาก็เสนออีกว่าน้าจะมีทุกชั้นหลวงพ่อเออเอาเท่าไรบ้างทุกทุกชั้นประมาณ6กล้านเหมือนกันทั้งรวมทั้งหมดทุกชั้นทีแรกก็ล้านเจ็ดหลวงพ่อก็ยังพอสู้ไหวนะพอรวมทุกชั้นโอ้โหหกล้านเอาเธอเท่ไหมวะหลวงพ่อก็มาปรึกษาก็หาว่าดีแต่ท่านบอกเออท่านอาจารย์ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็ต้องมี จดหมายหรือว่าเป็นใบดีกาบอกคณะขหบดีเมืองอุดรเดี๋ยวผมจะจัดการส่งไปให้ขหบดีหลวงพอ่อเออไม่ขัดข้องเพราะตึกหลังนี้ไม่ใช่ของหลวงพ่อคนเดียวนะออไม่ใช่ตึกของหลวงพอ่อเป็นของทุกคนแต่ผู้มีจะมีศรัทธาร่วมหรือช่วยเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของคณะศรัทธาขหบดีเมืองอุดร จะช่วยๆกันแต่ถ้าหากว่าหลวงพ่อสู้ไม่ไหวหลวงพ่อก็คงจะทำสามสหรือทำห้าชั้นเยห้าห้าบันไดแต่ถ้าว่าพี่น้องชาวดอนยื่นมือเข้ามาช่วยหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะทำทุกชั้นก็จะเกิดประโยชน์เพราะว่าหรือตึกหนีไฟแล้วก็ที่จอดรถหลวงพ่อไปเห็นที่เห็นรถจู่ที่วัดโพธิสมพรนะ เออเห็นเต็มไปหมดหลวงพอ่อทําไมคนเข้าวัดมากขนาดนี้นะแต่ที่ไหนได้คนมาโรงพยาบาลไม่มีที่จอดรถใช่ไหมก็เลยไปจอดอยู่วัดโพ ท, ที่สมพรเต็มไปหมดเหมือนเนี่นี่แหละอันนี้แหละคือหลวงพ่อเห็นว่าถ้าอาวัดสร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรทั้งหมดหรือว่าจังหวัดที่ใกล้เคียง เรืว่าใครเจ็บใครได้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลก็จำเป็นจะต้องหาที่จอดรถใดสะดวกสบายถ้าจอดรถทั้ง600้อคันนี่ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากอันนี้ก็คือบอกกล่าวนะหลวงพ่อไม่ได้แผลไม่ได้ขอแต่แจ้งข่าวให้ทราบถ้าหาอีกสักวันหนึ่งถ้าหลวงพ่อประกาศเออพี่น้องลูกหลานคณะสัทายาญาติโยมทอดผ้าป่าสมามัคคีเนอะรแสดงว่าหลวงพ่อ <c oughs> เต็มกนแล้วงั้นเอเต็มกนเพราะ น, นั้นขอให ฝากไว้กับคณะสัตยาญาติรวมลูกหลานไว้แต่เนินเน่นๆเดี๋ยวนี่จะขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดแล้วเดือนธันวาเดือนธันวานี่แปลว่าอาคารนี้จะเสร็จแต่ว่าลงมือช้าไปสักหน่อยผู้รับเหมา เ, าเขาก็บอกว่าขอเป็นเดือนม ก, กราที่หลวงพอ่อแต่เซ็นสัญญาการเดือนธันวาแต่คงจะไม่เสร็จตามกําหนดเพราะลงมือช้าไปสักหน่อยแต่เดือนม ก, กรานีะเสร็จแน่เหมงั้นอันนี้ก็คือเรื่องตึก หนีไฟอันที่สองก็มีอีกนะทีนี้ทางโองพยาบาลเขาเข้าไปหาน้องพ่อจังหวัดอีสานภาคอีสานในส่วนอีสานเหนือเนี่ยโดยมากเป็นมะเร็งมะเร็งตับมากก้อนในตับตับแข็งใบไม้ในตับเวลาผ่าตัดตับกระทาให้เลือดไหลเลือดออกไม่หยุดเพราะมันเย็บตับเหมืนเราจะเย็บยังไงเย็บยาก แต่ถา้ามีเครื่องตัวนี้เข้ามาช่วยก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างเครื่องผ่าตัดตัดยังไม่มีดูที่โรงพยาบาลศูนอุดอรหลวงพ่อก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาล้านห้าเออถ้าล้านห้าเนี่ยโรงพยาบาลมีเงินอยู่เท่าไหร่ที่จะ ก, กองทุนตรงนี้มีอยู่ประมาณห้าแ 0,000 นหลวงพ่อเออหลวงพ่อดูแล้วมันจะเกิดประโยชน์เ อ, อรับจะให้หนึ่งล้าน เนี่ยงพ่อก็รับนะ่ะพอต่อมาโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นมาอีกจรนีๆโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยเครื่องห้องผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยยังไม่มีแต่มีอยู่แต่โรงพยาบาลทั้งยี่สิบกว่าห้องแต่ว่าเอ า, ามาใช้งานแล้วเออมันเป็นห้องผ่าตัดที่เป็นรุ่นเก่าแล้วแต่อย่างที่หลวงพ่อได้ยินที่ว่าผ่าตัดไปแล้วตาบอดนะ่ะ ฟ้องร้องกันนะเมื่อสองปีให้หลังเพราะมันไม่ได้ลงไม่ได้ค่าเชื้ออะไรมีแต่ใช้กับใช้ใช้กับใช้จะได้ผ่าตัดหัวใจเครื่องก็มีแล้วแต่ว่าเครื่องตัวที่ผ่าตัดหัวใจนะั่นห้องผ่าตัดหัวใจไม่มีถ้าหากว่าหลวงพ่อจั ก, กรุณาก็ยินดีที่จะ อ, อยากจะได้ห้องผ่าตัดเพราะว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรก็ยังกําลังจะเริ่มทํา เรื่องหัวใจแล้วก็ค้อนแกนนี่กัจะเริ่มทําขาดแต่ห้องผ่าตัดตรานั้น เ, เดี๋ยวนี้มีจากศูนย์ศิลฐกิจแห่งเดียวอีสานทั้งอีสานมีศูนย์ศิลฐกิจต่อคิวกันจนถึงปีปหน้าแล้วนะผู้ที่ไม่ทนไม่ไหวก็ตายไปผู้ที่พอจะทนไหวก็ถึงคิวแล้วค่อยได้ใส่บอลลูนบั้งผ่าตัด บ, บั้งใบพาดบาั้งที่โรงพยาบาลศูนย์ที่โรงศูนย์ศิลฐกิจขอนแกน่น แต่โรงพยาบาลชนค้อนแก่นะมีครบเครื่องมือก็มีแล้วแต่ขาดห้องผ่ า, าตัดนะแหมเขาก็ไปสายสไลด์เห็นหลวงพ่อดูอีกต่างหากนะมึงถ้าไม่เอาจิงเอาแางหลวงพ่อจะไม่ให้หรอกนะสายสไลด์ขึ้นมาหลวงพ่อก็ดูแต่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเสร็จแล้วก็กระถามว่าราคาเท่าไหร่ทั้งหมดสองล้านแปดโอแต่เมันก็เกิดประโยชน์อย่างมากเมื่อพิจารณาดูแล้ว พ่อพี่น้องชาวอุดรของเราเนี่ยมันขาดจริงๆเรื่องเรื่องหัวใจเนี่ยหนะลวงพ่อเอจะรับเมื่อไหร่เนี่ยจะรับเงินเมื่อไหร่รับกี่งวดเพราะว่ารับขอรับงวดเดียวเดือนธันวาเดือนธันวาจะรับหลวงพ่อถึงยังไงยังไงเงินกระถินของเราบอกทุกปีที่ผ่านมาบอกก็ได้พอสมควรอยู่นะเอา้ารับ หลวงพ่อเออเอา้าวลับหลวงพ่อยังพูดคุยกับเขาเอีกนะบอกว่านี่นะถึงยังไงยังไงวัดหลวงพ่อกกว้างขวางอยู่หรอกตั้งพันกว่าไร่เอเขาไดยินแต่คนอื่นเขาว่าเอาที่ดินเข้าธนาคารแต่คราวนี้หลวงพ่อจะเอาวัดเข้าธนาคารนะซิวะหลวงพ่อจะเอาวัดเข้าธนาคารนะสิวะเอาเงินมาสร้าง ผ่าตัดว่ดคณะสัตธธายาญาติยโยมไปวัดทางธนาคารเขาจะไปปิดล้วมไม่ให้เข้าทําไมวเพราะว่าวัดเข้าธนาคารเป็นของธนาคารและญาติยโยมก็จะได้ช่วยกันออกเงินตัว <c oughs> <c oughs> นี่แหละอันนี้คือบอกกล่าวให้แก่คณะสัตยาญาติโยมได้รับรู้รับทรบาบว่าวัดว า, าศาสนาทูบานจานทา่านก็ม่ได้นิ่งดูได้สิ่งนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ก็ทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์นะ้วันนี้เมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมจบลงแล้วหลวงพ่อมี MP3 แจกนะการนักทาญาติโยมนะมี MP3 แจกเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่พระกันนะคราวนี้บางองค์บางคนอาจจะได้แผน20บบัง3าบังสิบ้าสบบังลักษณะอย่างนี้นะถ้าว่าผู้ใดได้ไปแล้วก็ให้ไปฟังฟังฟังดูนะ คนเราเี่จัดเสดียวฉลาดขึ้นมาได้จะรู้เรื่องพราะพุทธศาสนาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนอง์นี้พูดองค์นั่นพูดนะาจากนั้นเราก็ไม่มั่นใจก็เอาเอ า, เอาอ่านพระไตรปิฎกเอามาสืบแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ดูที่องค์นี้พูดจะไม่จริงไหมถูกต้องไหมล้วนแล้วจะเป็นการศึกษาถ้าคำว่าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้รับการศึกษ า, ามีแต่ อยู่แต่ทําการทํางานอย่างเดียวไม่ได้รับการศึกษานะจะเฉียวฉลาดเรื่องพระพุทธศาสนาคงจะเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อแสดงธรรมจบแล้วขอให้เป็นรับอที่รถหลวงพ่อขึ้นมาแจกคณะจัตตาร า, า ย, ยาดโยมโลูกหลานโดยได้เตรียมเตรียมพร้อมเลยแต่ในช่วงนี้อยาวพึ่งขยับนะเพราะหลวงพ่อจะแสดงธรรมก่อนเมื่อแสดงธรรมจบเรียบร้อยแล้วก็ ค, ค่อยแจกเอ็มพีสา ให้แ okay. ก่ท่านกัตริยญาติโยมโลูกหลานผู้ที่สนใจถ้าผู้ได้แล้วเออไม่เป็นไรถ้าได้แล้วเออจะฟังอีกกันใหม่ ก, กันอื่นอีกเพราะวันมันคล่ากันข่าวนี้หลวงพแจกคร่ากันไม่ได้ไม่ใช่แผนเดียวนะคร่ากันเพราะนั้นบางทีข่าวก่อนอาจจะได้แผนนึ่งแต่ mm. okay. ข่าวนี้อาจจะได้รับอีกแผนนึงลักษณะอย่างนั้นนะ mm. เฉพาะแผ่นหนึ่งนะสิบสาชั่วโมงนะฟังจากอุดรถึงกรุงเทพ ฟังจากกรุงเทพถึงอุดอรหมดไปแผ่นหนึ่งไายาวขนาดนั้นแหละเพราะนั้นโภคณะจักราทยย า, ญญาิโยมนะแต่อคอยรับเอ็มทีสามหลวงพ่อจะนำมาแจกเมื่อลุงพ่อแสดงธรรมจบเรียบร้อยแล้วนะวต่อ น, นี้ไปตั้งใจฟังธรรมนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ลํำลึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ถิ่นของเราที่วัดปาด่าบ้านจิกที่พวกเราเคยเลียดฐานกันในจังหวัดอุดรเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือคณสิทธิารุสิทธิ์ทั้งทางใกล้และทางไกลวันนี้ก็นับว่าอาตมาภาพมาเห็นคณะศรัทธาญาติโยม เข้ามาในงานของหลวงปู่ทั้งที่หลวงปู่พรรณาภาพไปปีนี้เป็นปีที่เจ็ดคณะสัพทายาตโยมยังแน่นหนายังรักเคารพในองค์หลวงปู่ไม่จืดจางนับว่าหลวงปู่ได้แสดงธรรมหรือว่าได้แสดงแนวปฏิบัติอบรมสั่งสอน ล, ลูกลูกหลานหลานของท่านให้มุ่งมั่นในศีลธรรมเป็นข้่มั่น ในคุณธรรมศีลธรรมจะริยธรรมเพราะนั้นที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาทาบุญได้มาทาบุญรอบๆวันมรณะภาพขององค์หลวงปู่เราด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราลํำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์กั น, นับว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแล้วก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นผู้มีน้าจิต มีเป็นผู้มีน้ำใจต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือว่าพวกเราเป็นผู้แสดงความกตัญญูเพราะท่านเป็นบุพการีบุพภ า, ารีมีหลายระดับบุพการีส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะกรให้ท่าวาดท่ า, าเก็บเตียบทิรก็เหมือนทิศเปลืองหน้าทิศเปลืองหน้าก็คือทิศตะวันออก อาทิตเบื้องหน้าทิศตะวันออกพ่อแม่เปรียบเสมือนทิศตะวันออกทําไมจึงเหมือนทิศตะวันออกเพราะเราตื่นนอนขึ้นมาแต่เช้าเราก็มองเห็นพระอาทิตย์แสงสว่างวันนี้เป็นวันใหม่พวกเราก็วันนี้เป็นวันใหม่พ่อแม่ก็เช่นเดียวกันพรอเราลืมตาขึ้นมาดูโลกอันดับแรกพวกเราจะมองเห็นหน้าพ่อกับหน้าแม่ก่อนเพราะนั้นพ่อแม่จึงเป็นทิศเบื้องหน้า ของพวกบุร ธ, ธิดาทั้งหลายเพราะนั้นถือว่าพ่อแม่เป็นบุพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุร ธ, ธิดาท่านแนะนำสั่งสอนให้ลูกๆทั้งหลายให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาบุญคุณโทษรู้จักที่ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรกินอย่างไรนอนอย่างไรนุ่งห่มอย่างไรอันไหนเป็นพิษอันไหนเป็นภัยควรจะเรียกที่ป้าน้าอาอย่างไรพ่อแม่เป็นผู้สอนก่อนคูกทุกคน เพราะนั้นถือว่าพ่อแม่เป็นบุคคาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุทที่ตาเมื่อพ่อแม่สอนจบแล้วในหมดความสามารถของพ่อแม่แล้วอายุหนึ่งปีสองปีพอรู้เรียนสาภาวะก็ส่งเข้าโรงเรียนเมื่อเข้าโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้แนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายมีหลายระดับประถมมัธยมปณิาตรีโทเอกสุดแท้แต่ความสามารถ ของแต่ละคนหรือว่าแต่ละตระกูลที่สามารถส่งลูกหลานของ ต, ตอนเองได้เรียนหนังสืออันนี้ถือว่าเป็นบุพการีคือพ่อแม่ส่วนที่2ก็คือครูครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์ตั้งแต่เรียนประถมมัธยมก็มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนในเมื่อเราเรียนประถมมัธยมก็ไม่จบเพียงเท่านั้นเรียนประถมมัธยมก็คือวิ ช, ชาอาชีพที่พวกเราจะต้อง เลี้ยงชีพโดยวิชาอะไรอันนี้ก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการครองชีพแต่พร้อมกันเราได้มากราบมาไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระสงฆ์คือสัมมณาณพราหมณ์สัมมณาณพราหมณ์คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่าทําอย่างนั้นนะลูกหลานทําอย่างนั้นเป็นบาปทําอย่างนี้เป็นบุญทําอย่างนั้นเป็นไปนรก ทำอย่างนี้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นบุพก า, าริย์คนที่สองหรือว่าเป็นบุพก า, ารย์ที่สอนธรรมะให้แก่พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ก็คือเป็นบุพก า, ารย์ท่านหนึ่งอีกเหมือนกันแต่บุพก า, ารย์อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้ขอพวกเราก็อยามมองข้ามพวกเรา ที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยถ้าว่าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกปักรักษาหรือพูดวิ่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นหลักนะเพราะพุทธศาสนาคงจะไม่ยืนยงถึงขนาดนี้เพราะพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้พาบวชตุว เ, เกือบทุกพระองค์ในเมื่อบวชแล้วพวกเราที่เป็นชายไทยที่มีลูกเป็นหลานเป็นลูกชายไทยลูกชายนะพอบวชเข้ามาก็ไม่กระดาษอายเพราะอะไรเพราะพระเจ้าแผ่นดินพาบวช ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่พาบวชพวกเราอายบวชเข้ามาเนี่ยโอ้ทำตัวอย่างนี้เป็นคนขอทานอย่างนี้น่าอับอายขายหน้านีพวกเราก็จะไม่มีใครบวชแต่นี้พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นับถือเป็นพุทธมาม ก, กะเป็นพุทธศาสนูปถัมพกเป็นผู้บํารุงพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้พาบวชเนี่ยพวกเราก็บวชด้วยความสมัครใจวบวชด้วยความสง่สงาพาเผยบวชด้วยความเต็มใจ พ่อแม่ผี่น้องลูกหลานเอาลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ได้ความภาคภูมิใจนี่แหละถ้าถาว่าประเทศไหนที่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองอย่างอินเดียพพุทธศาสนาเกิดที่อินเดียพอไม่มีพระเจ้าแผ่นดินท่านนั่นแหละประเทศอินเดียก็บวชพระพุทธศาสนาเมื่อพระเจ้าอาโศกสมัยนั้นพระพุทธเจ้าปฏินิพพานสา0รปีพญาอาโศกเป็นผู้ สร้างวัดวาศาสนาท่าพวกใดไปประเทศอินเดีย mm. ก็จะเห็นว่าประเทศอินเดี ย, ยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเพราะว่าได้สร้างทาวรวัตถุไว้ถึงแปดหมื่่พแห่ง เ, เป็นที่ยอมรับของคนในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็คือพระเจ้าแผ่นดินมาถึงมาพูดถึงเมืองไทยของเราเลยพระเจ้าแผ่นดินมีตั้งแต่กรุงศรีอินทราธิพข้ธพ่อคุณรามกำแหงจากนั้นกับพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพมหานครของพวกเราตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้ประเทศไทยของเราที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นไม่เป็นที่ฆ่าของประเทศอื่นพวกเรานื้ย้อนดูหลักให้หลังเนี่ประวัติศาสตร์ว่ายังไงรัชกาลที่ห้าท่านปกป้องประเทศชาติท่านมีปีชาสามารถเอาประเทศชาติชาติไทยของเราไม่ให้เป็น เมืองเมืองขึ้นของประเทศอื่นอย่างประเทศลาวเขมรเวียดนามสิงคโปร์อินโดมาเลสพมา่าประเทศรอบบ้านของเราเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างประเทศทั้งหมดมีประเทศไทยแห่งเดียวที่เป็นเอกราชมาตลอดพวกเราเกิดในพื้นแผ่นดินไทยน่าจะภูมิภูมิภาคภูมิใจอย่างมากที่มีพระเจ้าแผ่นดินมีมีความปีชาสามารถเอาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการ ปกครองของประเทศอื่นหรือว่าพวกเราเสียใจถามได้ว่าพวกเราเสียใจไหมเสียใจไม่ได้เป็นค่าของประเทศอื่นเขาเหมือนกับประเทศใกล้ๆประเทศรอบบ้านของเราโอยเสียใจมากที่เราไม่ได้เป็นประเทศเมืองขึ้นของคนอื่นเพราะถ้าว่าได้เป็นเมืองขึ้นของคนอื่นชาติไทยของเราเมืองไทยของเราคงจะได้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรตัางเยอะแยะเหมือนกับ ประเทศลาวประเทศ เ, เทศขมรเขาเก่งภาษากว่าเราแต่เมืองไทยของเรานี่น่าเสียใจอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามตัวเองแล้วก็เป็นยังไงในเมืองไทยของเราเราภาคภูมิใจไหมที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองเราด้อยกว่าเขาไหมขณะนี้เราด้อยกว่าเขาไหมประเทศชาติชาติไทยของเราเรายากจนกว่าเขาใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกเหมือนกัน แต่ว่าพวกนักการเมืองทะเลาะกันท่านเองแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแบ่งเหลืองแบ่งแดงแต่หลวงพ่อนก็แบ่งอีกเหมือนกันนะแบ่งสีกลับหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็แบ่งเป็นสีกลับอีกเหมือนกันสีแกงขนุนของหลวงพ่อนไม่เข้าสีไหนนี่แหละสรุปแล้วคือหลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังจะเพื่อให้พวกเราได้สานึกว่า สีอะไรก็ตามถ้าทําความชั่วก็ชั่วทั้งวันยังค่ำถ้าทํำสีอะไรก็ตามถ้าทําดีก็ดีวันยังค่ําอีกเหมือนกันไม่ได้มีสีนั้นมันมีสีนี้นีงสีสีธรรมะคือสีหลักเหตุผลพวกเราขออยู่ในหลักเหตุผลที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทางนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าที่หลวงพ่อพูดนี่เอาข้างเข้าถูหรือเปล่าเข้าข้างใดหรือเปล่า เ, เราเสียใจหรือเปล่า พราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัดตาายาตโยมทุกหมู่ทุกเหล่าหลวงพ่อพูดทางนี้หลวงพ่อเป็นคิดว่าพูดเป็นกลางพูดเป็นธรรมให้แกพวกเราได้ฟังได้ศึกษาว่าประเทศชาติของเราเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดมีพระพุทธศาสนามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าว่ารัชการที่4อย่างนี้ท่านก็ได้ต้องตั้งวงคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาเมื่อตั้งวงธรรมยุท์ขึ้นมากับเป็นผู้ มุ่งมั่นในหลักพระธรรมวินัยจากนั้นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นก็ได้บวชธรรมยุตธิการนิกายจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาเรื่องธรรมะปฏิบัติออกไปอยู่ป่ารงพงไพเมื่อท่านไปอยู่ป่ารงพงไพท่านปฏิบัติผลที่สุดเมื่อท่านล่วงลับไปกระดูของท่านทั้งสองหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เรารักเคารพนับถือกระดูของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุให้แก่พวกเราได้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นเ ม, ม็ดกลม ถ้าจะว่าในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านขาว่านี่คือร่างดุของพระอรหรันต์พวกเราภาคภูมิใจไหมที่ได้อยู่ใกล้พระอรหันต์เป็นผู้หมดโจทย์จากกิเลสเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเกิดมาชาตินี้ทั้งชาติไม่เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราได้ทําบุญกับท่านบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้ ในเนื้อนาบุญในเนื้อนาที่ดีหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะติดพบติดชาติไปนานเท่านานเพราะเราพวกเราได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแต่หากว่าพวกเราไม่ได้เกิดมาไม่ได้พบพระพพุทธศาสนาเกิดมาแล้วก็ทำมาค้าขายมีแต่ความร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดพบนั้นชาตินั้นเป็นเศรษฐีก็เถอะก็มีแต่เลี้ยงร่างกายของตอนเองให้อยู่ดีมีสุข สร้างบ้านใหญ่ๆแล้วก็หาผ้านนุ่งห่มสวยๆยาแก้โรคไทยไข้เจ็บดีๆอาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์อาหารอย่างดีมีแต่เลี้ยงร่างกายเพราะหาเงินได้แล้วก็เลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเลี้ยงร่างกายไม่มีที่จะหนุ่มไปข้างหน้าไม่มีที่จะสาวไปข้างหน้าเลี้ยงไปเท่าไหร่ 70-80 ปี เดี๋ยวกว่าผมขาวเดี๋ยวกวหูตึงเดี๋ยวกว่าตาฝ้าฟางเดี๋ยวกว่าฟันหลุดเดี๋ยวกว่าหนังเหี่ยวเดี๋ยวกว่าลังค่อมต่อไปสักไม้เท้าต่อไปของหกหกเงินงานหลงหน้าลืมหลังพราะในสุดก็ถึงจุดจบคือความตายไม่มีที่จะใหญ่สวยงามไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ฉราบถึงจุดจบเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราได้คิดแต่หลักของพระพุทธศาสนาแล้ว เราเลี้ยงร่า ง, างกายทรัพย์สมบัติที่เราได้มาเลี้ยงร่างกายแต่เราอย่าไปหลงร่างกายเกินไปเราควรจะสะแสวงหาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจของพวกเราด้วยคุณธรรมในจิตใจคืออะไรอย่างพวกเรามาวัดวันนี้แหละพวกเรามาได้มากราบมาไหว้มาทําบุญกับงานองค์หลวงปู่ของเราที่เรารักเคารพนับถือวันมรณะภาพของท่านพวกเราก็แสดงออกซึ่งความ กัจตันยูกตเวทิตาที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนพวกเรารู้จักตีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ก็คือหลวงปู่แนะนําเมื่อเราถึงครอบรอบมาเราก็มาทําบุญลํานึกถึงบุญกุศลที่พวกเราได้ทําดีแล้วก็จะไหลทะลักเข้าสู่จิตใจของพวกเราใจนั่นแหละเป็นคลังของบุญใจนั่นแหละเป็นคลังของบาปถ้าหากว่าเราทําบุญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรา เราเกิดพบหน้าชาติหน้าเราก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญเพราะหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปพ้นคว้าไปศึกษาดูแล้วพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังเป็นกษัตริย์แต่อายุ29ปีพระองค์เสด็จหนีออกจากเบียงวังไปอยู่ในป่าไปศึกษาพ้นคว้าอยู่ในป่าถึง6ปีนี่แหละอันนี้คือตำรับตำราบเบื้องตน้น เมื่อท่านศึกษาค้นคว้าแล้วท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพธิ์ที่พุทธกยาประเทศอินเดียก่อนที่ท่านได้ตัดรู้ท่านทํำยังไงนะท่านนั่งสมาธิน ะ, ะนศานาจายาตโยมลูกหลานนะท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้า พวกคณะสัทธาญาติโยมทุกมูทุกเหล่าที่นั่งอยู่ที่นี่จะเป็นตัตเทสไหนก็ตามโยเลหรืออะไรก็ตามพลังจั ก, กรวาลอะไรก็ตามที่นั่งอยู่ที่นี่พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพาดําเนินอย่างไรพาธรรมอย่างไรท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งพระ อ, องค์รู้ว่าจิตสงบรวมเป็นหนึ่งเกิดยานัตถนาะเกิดฌานพระ อ, องค์ล้ำลึกชาติทุนหลังได้คือชาติที่แล้วล้ลึกชาติทุนหลังก็คือล้ำลึกถึงเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อน ไล่ไปเรื่อยจนถึงชาติก่อนลหลายชาติพระองค์จึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาแล้วตายแล้วไม่สูญเน่ตายแล้วเกิดอีกเพราะเราได้ญาณรัตน์ได้ตัดสืรู้ทำ ม, มีความรู้ขึ้นมาเราลำลึกชาติทวนหลังได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์หนึ่งจึงได้ประกาศพระศาสนาว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นพวกเราคณะจต่าญาติโยมทุกทุท่าน อยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครให้นั่งสมาธิในเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งร่างกายเหมือนกับรถหนมลูกพ่อเคยเปรียบเทียบจิตใจนะั้นเหมือนกับคนขับรถแต่ถ้าหาว่าเรานอนหรือเรานั่งเรานอนหลับแปลว่าเรารถของเราติดเครื่องไว้เฉยเฉยนะติดเครื่องไว้แต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาเราขยับ แล้วผมคิดว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรอันนี้แปลว่าโซเฟอร์อปลดจะตตาด์เครื่องเสร็จแล้วก่อนน่ น, นะ เ, เข้าเบรกเข้าเกียร์เข้าคันเร่งน่ะนีพยายามขยับนี่แหละม่อพอขยับก่อนี่ร่างกายก็ขยับใจตัวนั่นละคือโซเฟอร์คือใจนั่นละตัวนั่นละสำคัญ พระพุทธเจ้าถนอมให้ความสำคัญเรื่องของใจเพราะนั้นมาถึงลุก ข, ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่นีท่านบอกว่าถ้าหากว่าภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันสั้นมันสั้นเกินไปควรจะให้มีบริกรรมด้วยเวลาทำสมาธิทำอย่างไรหลวงพ่อเคยได้พูดได้กล่าวไม่รู้ว่กี่ครั้งตกกี่หนแต่ลูกพ่ออยากจะย้าอีกเพื่อให้ลูกหลานคณะัทาญาติโยมได้เข้าใจ พิธีการปฏิบัติให้มั่นใจว่าการปฏิบัตินั้นทําอย่างไรอันดับแรกก็คืออย่างเราเข้าไปในห้องพระหรืออยู่ในบ้านของเราอยู่ตามลำพังแล้วก็กราบพระเสียก่อนอรหังสวาคะาโตสุปฏิปันโนจากนั้นกันนโมตัสสะพระคาวาโตขอนอบน้อมเรกพระผู้มี พ, พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนโมจากนั้นกับพุทธังธรรมังสังขังสารานคตฉ า, น า, าไม่ดูติตาติ พุทธังธรรมังสังขังยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาปนมมือแผ่เมตตาในใจว่าข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขในเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มันนะ ท, ท่านสอนหลวงตาท่านก็สอนท่านบอกว่าหลวงตามหมาบัวท่านกดตะกอน ท่านไม่ได้พบกับหลวงปู่มั่นท่านก็บอกกําหนดกําหนดลมเฉยเฉยหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกสั้นยาวก็รู้มีสติในลมหายใจแต่มันหลุดได้ง่ายท่านนะหลวงตาท่านบอกมันหลุดเออมันหลุดมันเผลอไผลไปทางอื่นกว่าจะรู้ได้มันไปที่ไหนแล้วกลับดึงมาอีกตอนต่อมาท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านโคกมนท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานในตอน ข้าพรเจ้าจะไม่ให้เผลอข้าพรเจ้าจะอยู่กับพุทโธบริกรรมพุทโธเท่านั้นบัดบริกรรมด้วยไม่ใช่กำหนดเฉยๆนะให้มีท่านบ่กมีบริกรรมด้วยจากว่าบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในขณะที่นั่งเท่ากับร่างกายของเราไม่กระดุกกระดิกเลยมีแต่ลมหายใจเข้าออก้นั้นมันผ่านไปผ่านมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธพอออกจากสมาธิ จะก้าวขาขาขวาพดขาซ้ายโถเวลาจะปัดกวาดเวียงขวาพดทธเวียงซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะในร่างกายคือไม่ให้มันเผลอตั้งจิตอธิษฐานจะไม่เผลอจะให้อยู่กับร่างกายอยู่ตลอดท่านบอกว่ า, า, าโอ้ทุกมากจริงๆในช่วงที่บังคับใจให้อยู่กับตัวเองวันแรกโอ้มันทุกวันที่สองก็ยิ่งวันที่สามวันที่สี่ค่อยยังชัว่วเอาชนะได้เลย พวันที่ที่ห้าจะนี้จิตใจอยู่กั บ, ก, บกับตัวเองเน่นนิ่งนเฉยจนประกาศตนเองว่าบัดนี้ใจของเราคงที่ไม่เสื่อมเพราะมันจะเสื่อมเราก็รู้แล้ววิธีการมันจะออ ก, อ, อ, กอย่างไงนี่แหละขอให้พวกเราพนักศัตยานญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละ ว, วิธีการเพื่อเอาชนะใจของตนเองภาวนาเพื่อจะให้ตัวเองจิตใจสงบวิธีการทําทําอย่างนี้ ในเมื่อพวกเราทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งนามธรรมของเราเป็นอันหนึ่ ง, ามมาา ง, นนงและก็มีความสุขอีกต่างหากเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วท่านว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจิตสงบและมีความสุขสุขอย่างลึกซึ้งสุขจริงๆสุขไม่มีอะไรเจือปน แต่เรามีความสุขภายนอกเนี่ยยังมีเรื่องแฝงทุกอยู่แต่สุขใจสงบนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็ไม่ได้ลดละพยายามทําจิตกําหนดดูรู้อยู่ไม่ให้มันเผลอไผลไปทางอื่นพอจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบอีกในระดับหนึ่งเกิดญาณทัศนะนะเกิดฌานขึ้นมาว่า จุปะปะปะตูปปาจายานการจุติของสรรพสัตว์เลยคล้ายๆว่ามองคนเลยมองสรรพสัตว์มองคนรอบข้างรอบด้านที่แรก ม, มองตนเองสะก่อนว่าปุเพในวาสานุสติยานคือมองตนเองแต่พอถึงเชี่ยงคืนมองคนอื่นมองคนนี้คนนี้มาจากไหนมาเกิดมาด้วยผลกรรมผลบุญผลกรรมอะไรทําไมจึงเป็นอย่างนี้คนเราทําไมไม่เหมือนกันบ้าไบเสียจิตงูฉลาดร่ํารวย ทุกยนทําไมเกิดมาในท้องแม่เดียวกันจึงไม่เหมือนกันเกิดมาในชาติเดียวกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันพระองค์ดูแล้วกรรมคือการกระทําในอดีตถ้าผู้ใดก็าตามชอบทําบุญทําทานให้ทานรักษาศีลมีน้ําใจมีเมตตาคนนั้นเกิดพบนาชาตินาก็จะเป็นผู้มีความจะเป็นผู้ได้รับความสุขร่ํารวยถ้าว่าผู้ใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสูงรู้จักต่ํา รู้จากพ่อพระคุณของพ่อของแม่อ่อนน้อมพวกนั้นเกิดมาภพหน้าชาติหน้าจะเกิดในสกุลสูงเพราะองค์รู้หมดเลยทั้งว่ากรรมคือการกระทําถ้าว่าใครทําไม่ดีสมมุติว่ากินเหล้าเมายาสเเัมเลาเทเมาโดยมากเสพยาเสพติเกิดพบหน้าชาติหน้าจะเป็นคนที่ลืมลืมหลงหล ง, ลงเป็นคนที่สติปัญญาอ่อนเพราะ อ, อันนี้สงบาป ก, กรรมในอนดีตชาติ เพราะนั้นพระ อ, องค์ดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมีที่ไปมีที่มาว่าคนไหนทํากรรมอันไหนไว้คนนั้นจะได้รับผลของกรรมนั้นถ้าว่าใครก็ตามทํากรรมไม่ดีไว้อย่างพระโมกขาลาคนทั้งหลายก็โจรขานกันในยุคสมัยนั้นพระโมกขาลาเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าเพาะเขินเดินฟ้าได้อีกทําแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญแตกุศลให้แก่พุทธบริษัทสี่เป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้า แต่มาตายเพราะถูกโจรฆ่าไม่สมควรอย่างยิ่งทําไมจึงถูกโจรฆ่าอย่างนี้โจรขานกันเป็นคล้ายๆว่าไม่ยอมรับรับไม่ได้ท่านทุนคําคุณงามความดีทําไมถึงถูกโจรฆ่าได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ่ะสมควรแก่กรรมเพราะโมกคลาเนสมัยหนึ่งท่านแต่งงานแล้วก็ไปเชื่อฟังภรรยาจากนั้นก็ ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตนเองที่ตาบอดนั่นแหละบาปบาปกรรมของโมกคลาในครั้งนั้นมาพบนิชาตินี้ก็ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติถูกฆ่ามาตลอดแต่ถ้าหากว่าโมกคลายังไม่ได้สาเร็จเป็นพระอรหรันในพบน้ชาตินี้พระโมกคลาคงจะถูกถูกฆ่าไปอีกไปไม่รู้ว่ากี่พบชาติกว่าจะหมดกรรมของตนเองที่ได้กระทําไว้แต่ชาตินี้เป็นชาติที่พระโมคคลา นเัเถระท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แต่กรรมตัวนั้นมาทันแต่ร่างของท่านตามมาทันแต่ร่างกายของท่านแต่จิตใจของท่านข้ามฝากฝั่งไปแล้วเ อ, อไปอีกฝากฝังหนึ่งคือข้ามมาหาสมุทรกรรมมาถึงแต่ในชาตินี้พอถึงชาตินี้แล้วชาติต่อไปพระโมกขลาข้ามฝั่งข้ามฝากไปแล้วนั่นคือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมก็ไม่รู้จะหาที่ไหน ก็เป็นโอโห่ชีก ร, รมคือกรรมให้ผลสําเร็จจะจบจบกันนี่แห mm. ละเพราะพระพเจ้าท่านรู้ว่ากรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกกับพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าทํากรรมชั่วนะให้ทําแต่กรรมดีกรรมดีนั่นแหลจะพาพวกท่านไปสู่สุขติพวกท่านทั้งหลายทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วนั่นแลจะพาไปทุกติพระพองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีว่า หักตังทุกตังเสยโยปัชชาตะปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะทําให้พวกท่านเดือดร้อนเมื่อภายหลังจะได้รับกรรมชั่วแล้วพวกท่านจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ทําแต่กรรมดีนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรอใครผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ประสิทธิ์ประสาทให้เราเองเป็นผู้ทําท่านเราทํากรรมชั่วแล้ว ใครจะช่วยก็ไม่ได้พระเจ้าองค์ไหนจะช่วยก็ไม่ได้พราะพระพเจ้าจะช่วยก็ไม่ได้ถ้าใครทำกรรมชั่วใครจับไปคนนั้นก็ร้อนถ้าใครไปทำไปฆ่าสัตว์ไปฆ่ า, า, าคนอย่างนี้เขาก็จับเข้าฟุกใครจะช่วยได้เพราะตัวเองไปฆ่าก็ต้องได้รับกรรมผลของกรรมในการกระทาของตนเองเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าในหลักของพุทธศาสนากรรมชั่วจะทาเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเมื่อภายหลังเพรา ะ, ะนั้นพวกเราคณะทาย า, าิโยมวกทุกท่านให้ทำแต่กรรมดีสิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีพวกเราจะไปสู่ความสุขความเจริญและในพรรษาที่จะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้วันนี้เป็นวันที่20วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5พและก็วันที่สา วันที่สองเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่สามเป็นวันเข้าพรรษาจากวันนี้ไปถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยให้พวกเราวางแผนเอาไว้ว่าในพรรษาที่จะถึงนี้เราจะทำอะไรเราจะสร้างคุณงามความดีอะไรเราจะทำบุญอะไรเราจะรักษาศีลภาวนาอย่างไรเราจะงดอะไรในพรรษาที่จะถึงนี้วิใช่ว่า พันสาผ่านไปผ่านไปมันไม่ใช่ผ่านแต่พรรษาไม่ใช่ผ่านแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปเรื่อยเหมือนกันปีนี้ก็แก่กว่าปีที่แล้วปีหน้าก็แก่ไปเรื่อยๆอย่างลุงพ่อเนี่ยปีนี้อายุ68ปีแล้วนะคันตะท า, ายญาติโยมแล้วก็ลุงพ่อพิชิตกว่าลุงพ่อหนุ่มนะปีหน้าเนี่ยก็คงจะ69ต่อไปก็ 70. เจ็ดสิลุงพ่อจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่เพราะนั้นลุงพ่อเองไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท พูดให้คณะสัตยาญาติโยม ล, ลูกหลานได้ฟังเลยว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยนแท้แน่นอนเป็นของที่จะล้มหายตายจากเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวว่าในพรรษานี้พวกเราจะทํำยังไงข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือน ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระข้าพเจ้าจะไปกราบพ่อกราบแม่วันอาทิตย์วันเสาร์ไปกราบพ่อตาแม่ยายวันอาทิตย์ไปกราบพ่อกราบแม่พาลูกเต้าไปกราบพ่อแม่ของตนเองอย่างนี้นะ่ะคือเราไปแสดงความกตัญญูกตเวทีตาต่อผู้มีอุปการะคุณล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเป็นเครื่องชี้นาพาลูกพาหลานของตนเอง ให้เป็นแนวทางที่ดีคือเราอยากจะให้ลูกหลานของเราดีแล้วก็ต้องทําดีให้ลูกหลานของเราดูไม่ใช่ว่าเราจะทําแต่สิ่งที่มันไม่ดีให้ลูกหลานดูกินเหล้าเมายาท oss, เที่ยวสัมภารเทเมาอย่างเนี้ยให้ลูกหลานเขาดูลูกหลานเขาเอาเป็นตัวอย่างแต่พวกลูกหลานเอาเป็นตัวอย่างตัวเองก็ไม่พอใจ donc. เลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ลูกหลานเราดีเราต้องทําดีให้ลูกหลานเราเราดูเมื่อลูกหลานเมื่อเราทําดีให้แกเขา เขดูแล้วเขาจะเดินตามเรานะในพรรษาที่จะงดอบ า, ายจะมุกทุกอย่างเข้าไปเจ้าจะงดดื่มสุราเข้าไปเจ้าเข้าไปเจ้าจะงดบุหรีนะ่อย่างนี้เป็นต้นนะนีมันะมีหลายอย่างที่พวกเราจะสั่งสมคุณงามความดีในพรรษานี้ถ้าหาว่านอกพรรษานะมั น, ม, นมันไม่รู้จะไม่รู้ว่าเราจะมัดกับตัวไหนในพรรษาในสามเดือนี่ เราจะทําไม่ได้เหรอคุณงามความดีเราเป็นพุทธบริษัทคําว่าบริษัทคํานี้เห็นไหมบริษัทจํากัดบริษัทนั้นบริษัทนี้พระพุทธเจ้าถ้าเกิมีบริษัทเหมือนกันพวกเราเนี่เป็นเข้าถ่ายเรียกว่าเข้าหุ้นกับบริษัทของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะทําตนเป็นคนดีให้มีศีลมีธรรมตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าอย่างที่หลวงพ่อได้ยก เป็นพุทธภาสษีเบื้องต้นว่าบุญญานิปรโลโกรฉมิงปฏิฐาโหรติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาทําทไมเพราะเหตุไรเพราะโลกนี้พวกเราทําสร้างคุณงามความดีอยู่แล้วถ้าว่าไปสู่ปรโลกภายทางหน้าเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะบุญกุศลเกื้อกูลหนุนพวกเราจากนั้นหลวงพ่อได้ยกว่า ขยะวยธรรมมาสั้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติอันนี้หลวงพ่อย้าําว่าพวกเราท่านทั้งหลายร่างกายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขยะวยธรรมมาสังฆาราสังขารขาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่มีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเ้องต้วนว่าร่างกายถึงจะเลี้ยงอีห ม, มีพีมันดีขนาดไหนธนุถนอมดีขนาดไหนไม่มีวันที่จะหนุ่มไปทางหน้ามีแต่วันจะแก่ เท่าชะลาไปข้างหน้าจะถ้าเป็นน้อยหนุ่มเขไม่ว่ากันเย็บใ จ, จเจริญเติบโตยี่สามสิบพอถึงสาไปแล้วเอาละเที่ยงจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงเถอะมีตะไลลงไปทางต่ำเพราะฉนั้นอายุของพวกเรานับปุซิวานเดี่ยวนี้เท่าไหร่นี่แหละอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจะว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราสังขารทางหลายของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะล่มหายตายจากวันไหน อปมาเดนะชัมปาเดธาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่างหลวงปู่ของเราที่มาอยู่วัดบันจิตแขวนี้ท่านขอแนะนําสั่งสอนลูกหลานคตจัทธายแย่งหลงฝังจิตฝังใจสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่ลูกปู่ได้สอนอันนั้นคือท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาททั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนของท่านท่านก็ทํา ปฏิบัติอย่างไรท่านก็มั่นใจในตัวของท่านและก็ประโยชน์คนอื่นท่านก็เป็นแนะนําสั่งสอนสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่พี่น้องประชาชนเท่าที่จะสงเคราะห์ได้อันได้ออกประโยชน์ท่านท่านไม่ได้ประมาททั้งสองอย่างเพราะฉนั้นหลวงปู่ของเราก็เป็นบุคคลตัวอย่างเหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้ว น, ตวนว่าหลวงพ่อเอ ง, องก็ได้ส่วนตน้นหลวงพ่อก็พยา ย, ยามดูส่วนคนอื่นหลวงพ่อก็ช่วย จากช่วยโรงเรียนช่วยวงพยาบาลเหล่านี้เป็นตน้นอันนี้หลวงพ่อม่ไดนิ่งดูได้ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมคือความไม่ประมาทเถิด น, นี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกพอเราลืมตาขึ้นมาไปเห็นพ่อเห็นแม่เป็นคนแรก จากนั้นพ่อแม่กระเด็ดสอนพวกเราเมื่อสอนพวกเราเราได้ความรู้ความฉลาดจากพ่อแม่ในระดับหนึ่งจากนั้นพ่อแม่เราก็ส่งเข้าโรงเรียนเราเรียนอนุบาลประถมมัธยมปริยาตีโทอเองอันนี้ก็คือเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนจากนั้นขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่แนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักตีรู้จักชั่วอย่างลวงพ่อเนี่ยอยู่กับหลวงปู่ราเนี่ยจะไมเป็นเมนน เป็นเนนน้อยจากนั้นก็เป็นพระจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนจากนั้นก็หลวงตามหาบัวถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อลำเลึกถึงอยู่ตลอดเวล า, เ, าเวลากราบไหว้หลวงพ่อลำเลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นหลวงพ่อก็ตามทำคําสอนของของท่านท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรมันกล้องอยู่ในใจของหลวงพ่ออีกเหมือนกันอันนี้คือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุพกาลีฝ่ายธรรมะจากนั้นกับบุพการีทั้งฝ่ายบ้านเมืองพวกเราร่มเย็นเป็นสุกเต็นับถือพระพุทธศาสนาทุกวันนี้ก็คือเจ้าฟ้าจอมเพลิงปกครองมาเป็นทอดๆอันนี้คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยเพราะฉะนั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงขอให้พวกเราพวกทุกท่า์ให้ตรวจตราหรือว่านึกสำนึกดูว่าเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย แล้ก็ได้พบพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงๆถ้าผู้ใดนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วมีความสงบร่มเย็นเป็นถูกทางด้านจิตใจหลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายกับใจใจกับร่างกายโลกปรธรรมและนามธรรมาอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันแพวกเราจะทําจิตใจให้สงบได้อย่างไงเมื่อจิตใจสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า กายกับใจนั้นครละอย่างกันคนละอ่านกันและก็ให้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเพราะคำชั่วเมื่อทําไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นทําแต่กรรมดีสั่งสมแต่คุณงามความดีพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญการกล่าวแสดงธรรมเทศนาและกล่าวสมมตินิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระศี ร, ะะรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลนโลกคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปาถนาทุกๆกท่านด้วยเถอน